วันนี้ช่วงบ่ายสามถึงสี่โมงช่วงที่สองของการสนทนาถามตอบปัญหาจะเป็นช่วงของภาษาอังกฤษมีชาวต่างชาติส่งคำถามเข้ามาเดี๋ยวจะได้ตอบเขาในช่วงสามถึงสี่โมงเพราะฉะนั้นใครมีคำถาม อยากจะถามก็เตรียมคำถามไว้ในช่วงแรกนี้คือตั้งแต่ประมาณสองโมงครึ่งไปแล้วสองงสี่สิบก็จะเปิดให้ถามคำถามได้ช่วงแรกนี้ก็จะแสดงธรรมเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่มากเหมือนธรรมดาประมาณสักสี่สิบนาที สามสิบนาทีเรื่องของธรรมก็คือเรื่องของความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรรุนี่เองเป็นหัวใจของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเอาความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมาเผยแผ่ มาสั่งสอนเพราะเป็นความรู้ที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์มากกว่าความรู้ทั้งทั้งปวงความรู้ต่างๆที่เราเรียนรู้กันในโลกนี้เป็นความรู้ที่เรียกว่าเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดไม่รอดจากอะไร ไม่รอดจากความทุกข์นั่นเองไม่ว่าใครก็ตามจะเรียนจบระดับปริญญาระดับไหนก็ตามยังต้องพบกับความทุกข์อยู่ทุกคนเพราะความรู้ทางโลกไม่ได้สอนวิธีกําจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจความรู้ทางโลกสอน ให้กำจัดความทุกข์ให้หมดไปทางร่างกายได้ในระดับหนึ่งคือระดับที่จะทำให้ไม่อดอยากไม่ทุกข์ยากลาบากเกี่ยวกับทางร่างกายเพมีความสามารถที่จะไปหาสิ่งที่ร่างกายต้องการมาดูแลร่างกายได้นั่นเอง คือความสามารถในการหาปัจจัยสี่ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี่คือสิ่งที่ความรู้ทางโลกสอนให้ผู้ที่เรียนรู้ให้ได้มีความสามารถที่จะไปหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกาย ให้อยู่เป็นปกติสุขได้ตามอัตภาพของร่างกายอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างก็มียารักษากันไปจนกว่าจะไม่สามารถรักษาได้แล้วก็ตายกันไปแต่เรื่องของความทุกข์ใจนี้ความรู้ทางโลกไม่รู้จากวิธีกำจัด ให้หมดไปจากใจเช่นความทุกข์ที่เกิดกับเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายตายหรือเวลาที่สูญเสียสิ่งที่รักไปพัดพากจากบุคคลที่รักไปเวลานั้นจิตใจก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจ ไม่ว่าจะจบปริญญาระดับไหนก็ตามต้องมีความทุกข์ด้วยกันทุกคนร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูน้นี้เป็นความรู้ที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิง ผู้ที่มีความรู้ที่พระตถาจารย์ได้ทรงตัดสรุ้และเอามาใช้กับจิตใจของตนก็จะสามารถอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆจะไม่ทุกข์กับความแก่จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์กับความตายจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียการพัดพราก จากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปนี่คือความรู้ที่พระเจ้าทรงตัดจะรู้ถ้าสรุปง่ายๆ <c oughs> ก็คือพระองค์ทรงตัดว่านัตถิสันติพลังสุขขังนี้เองคือความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขต่างๆในโลกนี้ ที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มีเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เท่านั้นที่สามารถที่จะอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ผู้ที่ได้เข้าถึงความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบจะไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับการพัดพลาดหรือสูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบหรือบุคคลที่รักบุคคลที่ชอบไปใจจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ชนิดใดจะดีหรือไม่ดีจะไม่มีความเดือดร้อนกับ เหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆกับสิ่งต่างๆนี่แหละคือสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อนทุกคนที่เกิดมานี้ต้องทุกข์ด้วยกันกับสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆมีพระพุทธเจ้าเพียงพ อ, องค์เดียวที่ทรงสามารถ สอนจิตใจไม่ให้ไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆได้ด้วยการทำใจให้สงบนี้เองเวลาใจสงบแล้วใจจะมีความสุขมากแล้วจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆกับสิ่งต่างๆที่จะมากระทบกับร่างกาย อะไรจะมากระทบกับร่างกายไม่ว่าจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใจจะไม่หวั่นไหวใจจะไม่เดือดร้อนกายจะดา่ากายจะตำหนิติเตียนกายจะขาะหานินทากายจะดูถูกดูแคลนจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการพูด ต่างๆจะไม่เดือดร้อนกับรูปที่เห็นไม่เดือดร้อนกับเสียงที่ได้ยินจะไม่เดือดร้อนกับกลิ่นที่ได้ดมไม่เดือดร้อนกับรสที่ได้สัมผัสไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่มากระทบกับร่างกายเช่นอากาศหนาวเย็นหรืออากาศร้อนจัดอย่างตอนนี้ จะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนไม่ต้องหาเครื่องปรับอากาศกันอยู่กับความร้อนได้อยู่กับความหนาวได้นี่คือความสงบเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจเครื่องที่จะห่อหุ้มจิตใจด้วยความสุขตลอดเวลา จึงทำให้ใจไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆและได้ทรงค้นพบวิธีที่จะทำให้ใจสงบให้ใจมีความสุขตลอดเวลาด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่เองนี่คือ วิธีการที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบให้ได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่แท้จริงความสุขที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตานิจจังก็คือถาวรสุขขังก็คือเป็นความสุขล้วนๆอัตตาเป็นของเรา ความสุขนี้เราสามารถรักษาให้อยู่กับเราเอาไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วความสุขนี้เราเอาติดตัวไปได้เป็นของเราเป็นนิจจังอัตสุขขังอัตตาตั้งจากความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เป็นอนิจจังคือไม่จีรังถาวรไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีมามีไปจึงทำให้เกิดความทุกข์ใจ เวลาที่เก ja. ิดการเสื่อมของลาบยศสรเสริญของรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะเวลาเจริญก็เกิดความสุขเวลาเจริญลาบยศจเสริญเจริญรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะใจก็มีความสุขแต่เวลาที่ลาบยศสลาเสริญเวลาที่รูปเสียงกลิ่นลดผลทพะเสื่อมจากไป เข้าใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาจึงเป็นความสุขที่ไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่จีรังถาวรไม่เป็นความสุขแท้เป็นความสุขประดิวประดาวความสุขที่ต้องเสื่อมหมดไปแล้วก็เปิดทางให้ความทุกข์เข้ามาอยู่ในใจแทน นี่คือความสุขที่ทุกๆคนในโลกนี้แสวงหากันอยู่ mm hmm. ทุกคนหาลาบคือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหายศหาตำแหน่ง mm hmm. หาสารรเสริญห า, หาเหรียญทองกันเป็นนักกีฬาก็ล่าเหรียญทองกันหรือดเื อ, อถาดทองตุกตาทอง คือรับรางวัลดีเด่นที่สามารถทําอะไรที่เหนือกว่าผู้อื่นได้ก็จะได้รับรางวัลได้รับสรรเสริญนั่นเองได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งในด้านกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งะ แข่งขันกันแล้วก็จะได้รับเหรียญได้รับรางวัลกันเรียกว่าสารรเสริญ <c oughs> แล้วก็สแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราไปดูอะไรกันไปฟังอะไรกันนี่ <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นการหาความสุขจากกามคุณห้ากามาคุณห้าคือ รูปเสียงกลิ่นรสผลตพะเวลาเราไปดูภาพยนตร์ดูละครดูการแสดงต่างๆเรียกว่าเป็นการไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันหารูปเสียงกันดูก็ได้เห็นภาพได้ยินเสียงร้องราทําเพลงเสียงดนตรีเสียงอะไรต่างๆฟังแล้ว ได้เห็นแล้วก็เกิดความชื่นอกชื่นใจเกิดความสุขใจขึ้นมาชั่วคราว<ม>ในขณะที่ได้สัมผัสแต่พอเลิกพอกลับบ้านความสุขที่ได้ก็หายไปเช่นเดียวกับสิ่งที่เราไปรับประทานไปดื่มไปริ่มรสไปดมกลิ่นก็เหมือนกัน เวลาได้เสพได้ดื่มได้รับประทานก็มีความสุขพอได้เสพเสร็จไม่นานความสุขนั้นก็หมดไปจึงต้องคอยหามาเสพอยู่เรื่อยๆหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมาเสพอยู่เรื่อยๆจนกว่าเวลาที่ไม่สามารถที่จะหาได้ เวลานั้นก็จะกลายเป็นเวลาของความทุกข์ไปอยากจะได้ไปดูอะไรไม่ได้ไปดูก็เกิดความเสียใจอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่พอไม่ได้ไปก็จะเกิดความเสียอกเสียใจอันนี้เป็นความสุขที่สลับกับความทุกข์แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่น เพราะว่าไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบอื่นนั่นเองทุกคนเกิดมาในโลกนี้รู้จักวิธีหาความสุขแบบเดียวกันคือหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภากรแล้วทุกคนก็เลยต้องมาเศร้าโศกเสียใจกันมาร้องห่มร้องไห้กัน มาวิตกกังวลมาหวาดกลัวกันหวาดกลัวกับการสูญเสียนั่นเองวิตกกังวลกับการสูญเสียแต่จะวิตกกังวลหรือหวาดกลัวอย่างไรก็ห้ามการสูญเสียไม่ได้เพราะนี่เป็นธรรมชาติของความสุขต่างๆที่เราหากันธรรมชาติของลาบยศสรรเสริญ ธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะมีเกิดก็จะต้องมีดับมีเจริญก็จะต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาดังนั้นทุกคนจึงต้องพบกับความทุกข์ด้วยกันไม่ช้าก็เร็วถ้าไม่ได้พบกันตอนที่ตอนที่มีความสามารถหาได้ ก็ต้องไปพบตอนที่ไม่มีความสามารถที่จะหาได้เช่นตอนที่ร่างกายแก่ตอนที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยตอนที่ร่างกายตายตอนนั้นจะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ก็จะต้องอยู่กับความทุกข์ไปพระพุทธเจ้า เมื่อก่อนที่จะทรงตัดสรุป ก, ก็หาความสุขจากหามยศสรนตเสญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันตามที่ทรงเป็นหนุ่มพระราชบิดาสร้างประสาทให้อยู่สามฤดูปราสาทสามหลังประสาทสามฤ ด, ดูให้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ โดยการให้บริษัทบริวารเอาการแสดงเอาอะไรต่างๆอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆที่พระราชาสามารถที่จะสรรหาได้เอามาให้กับเจ้าชายสิทธัตถะไว้เสพเพื่อให้เจ้าชายสิทธัตถะมีความสุขและส่งห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตาย เข้าไปในวังที่เจ้าชายสิทธัตถะประทับอยู่เพราไม่ต้องการให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นความทุกข์เพราะเวลเห็นความแก่ความเจ็บความตายก็จะเห็นความทุกข์ว่าโลกนี้ไม่ใช่เป็นโลกที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวโลกนี้มีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์ ส่วนใหญ่จะสุขตอนเริ่มต้นตอนที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีความสามารถที่จะหาความสุขต่างๆจากราบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนะแต่พอเข้ายามแก่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยยามตายร่างกายก็จะไม่สามารถหาความสุขได้สาเหตุที่ พระราชบิดาห้ามไม่ให้เอาคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังเพราะกลัวว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นแล้วจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจและจะเกิดความอยากที่จะออกบวชนั่นเองเพราะเวลาที่ได้ส่งประสูนใหม่ๆพระราชบิดาได้ให้โหราจาร มาทํานายอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะมีอนาคตแบบไหนอย่างไรโหราจารย์ส่วนใหญ่ก็ทํานายว่าถ้าอยู่คลองราดก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระบรมศาสดาได้เป็นพระพุทธเจ้า เมือ่อทรงได้รับการพยากรณ์ของโหราจารย์ก็เลยต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะไปออกบวชก็เลยต้องห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นความทุกข์ของชีวิตนั่นเองเพราะถ้าเห็นความทุกข์ของชีวิตแล้วก็อาจจะ ไม่อยากที่จะอยู่คลองลาดต่อไปอยากจะออกไปบวชเพื่อที่จะได้ไปหาวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆต่อไปแต่ห้ามอย่างไรก็ไม่สามารถห้ามความจริงได้ไม่ช้าก็เร็วเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้พบความจริงเพราะความอยากรู้อยากเห็นไม่เคยเห็น บ้านเมืองที่อยู่นอกกำแพงวังว่านเป็นอย่างไรเนี่ยก็ เ, เลยเล็ดลอบหนีออกไปเที่ยวดูยังไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายยึงทาให้พระองค์เกิดความเสีย อ, อกเสียใจเกิดความทุกข์เกิดความกักวมกงวลใจขึ้นมาที่ต่อไปพระองค์เองจะต้องเป็นแบบนั้นจะต้องเป็นคนแก่จะต้องเป็นคนเจ็บ จะต้องเป็นคนตายก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขเหมือนกับตอนที่พระ อ, องค์กำลังหาได้ในตอนนี้พระ อ, องค์ก็เลยมีความาหดหู่ใจแต่พอได้เห็นนักบวชก็เลยได้รับคำคำตอบว่า มีผู้ที่พยายามหาวิธีที่จะไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่ถ้าอยากจะอยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องไปบวชกันไปเป็นนัก บ, บวชแล้วหาวิธีที่จะอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไม่เดือดร้อน <c oughs> ในที่สุดพเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เลยตัดสินใจให้ออกบวชเพราะรู้ว่าถ้าอยู่ไปในวังต่อไปก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะต้องพบกับความทุกข์อย่างแน่นอนก็เลยส่งหนีไปในคืนที่ได้ยินข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดพระราโชรส พอได้ข่าวก็ทรงอุทานว่าลาหุนลาหุนแปลว่าบ่วงทรงรู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะถูกบ่วงนี่รัดตัวไว้ทำให้ไม่สามารถที่จะไปบวชได้ก็เลยต้องตัดสินพระไทยหนีออกจากวังไปในคืนนั้นโดยที่ไม่บอกใคร พราอรู้ว่าถ้าบอกก็จะถูกยับยั้งอย่างแน่นอนจึงทรงหนีไปแบบเงียบๆในยามดึกในยามวิการไม่มีใครรู้และไม่บอกให้ใครรู้ว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนไปแล้วก็หายสาบสูญไปเลยเราก็มุ่งไปหาพวกนักบวชไปขอศึกษากับพวกนักบวชต่างๆนักบวชก็สอน ให้ทำจิตใจให้สงบพอเวลาจิตใจสงบความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่เข้ามาแต่ก็ทำได้เฉพาะเวลาที่เข้าไปในสมาธิเท่านั้นความสงบนี้จะต้องนั่งสมาธิถึงจะเข้าถึงความสงบได้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่สามารถที่จะ นั่งอยู่ได้ตลอดเวลาร่างกายจะต้องอมีเวลาไปทำอย่างอื่นต้องไปเดินไปยืนไปนั่งไปนอนต้องพักผ่อนหลับนอนต้องรับประทานอาหารต้องดื่มน้ำต้องหายต้องพักต้องทำอะไรต่างๆจะเข้าสมาธิเพียงอย่างเดียวตลอดเวลาไม่ได้ เวลาออกจากสมาธิเพื่อมาดูแลร่างกายใจก็ไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายพอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกเนยองก็เลยสงรู้ว่าการหาการการดับความทุกข์ใจนี่ดับได้เพียงชั่วคราวดับได้ด้วยการเข้าไปในสมาธิ ก็ไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบนะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้อยู่ในสมาธินี้เองที่เรียกว่าฌานขั้นต่างๆต้องทรงเห็นว่าความสุขที่ได้จากสมาธินี้ยังไม่ได้เป็นคําตอบที่คําตอบสุดท้ายเพราะว่ายังไม่ได้ตอบโจทย์คือต้องการ พนจากความทุกข์ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่เวลาที่เข้าไปในสมาธิเท่านั้นก็เลยส่งไปค้นคว้าหาวิธีต่อไปว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้เวลาไม่เข้าสมาธิแล้วสามารถทําให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ก็ส่งทดลองด้วยวิธีการต่างๆ จนในที่สุดก็ได้ส่งคนพบวิธีของวิปัสสนาคือการใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าเวลาจิตสงบทําไมจิตถึงไม่ทุกข์เวลาจิตไม่สงบจิตถึงทุกข์ก็ส่งวิเคราะห์ดูว่ามีความแตกต่างกันตรงไหนก็ส่งเห็นว่ามีความแตกต่างที่ เวลาสงบแล้วจะไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเวลาจิตไม่สงบจิตก็จะคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วพอคิดก็เกิดความอยากตามมาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองดึงสงคนพบว่าสาเหตุที่ทำให้ใจทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็เกิดจากความอยากมีร่างกายไว้ใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองถ้าตาบใดยังต้องการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะก็จําเป็นที่จะต้องมีร่างกายะ ถ้าอยากจะมีความสุขจากการได้ลาบยศสรรเสริญก็ต้องมีร่างกายโระองค์ก็เลยสรุปได้ว่าอถ้าไม่มีความอยากในเหล่านี้แล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์ถ้าไม่มีความอยากหาวกความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไม่มีความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะไม่มีก็เลยส่งมาตั้งเป้าอยู่ที่การหยุดความอยากดยการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่ า, าสิ่งที่ความอยากอยากได้มาให้ความสุขนั้น เ, เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเป็นความสุขที่ไม่ถาวร น, นั่นเองเป็นอนิจจัง เมื่อเป็นอนิจจังมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาเวลาที่สูญเสียความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสูญเสียความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญไปเนียดังนั้นถ้าไม่อยากที่จะทุกข์ก็อย่าไปอยากได้ความสุขจากราบยศสรรเสริญอย่าไปอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเวลาเกิดความอยากก็ทำใจให้สงบ ทำใจให้เข้าสมาธิไปพอใจสงบความอยากก็จะหายไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ไม่ทำตามความอยากต่อไปใจก็จะเฉยกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะว่าใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปนั่นเอง ใจก็เลยไม่ต้องอาศัยร่างกายปล่อยวางปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปตามธรรมชาติของร่างกายที่ไม่มีใครห้ามได้ยับยั้งได้แต่ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต่อไปเพราะไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ เพราะใจสามารถหาความสุขจากความสงบได้อยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่เนื้อกว่าความสุขทั้งปวงดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาสามารถรักษาความสุขนี้ได้ไว้ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย ก็สามารถมีความสุขได้จากความสงบนี้เองพระพุทธเจ้าก็เลยทรงตัดสรุปความจริงว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่ถาวร เป็นความสุขที่อยู่กับใจไปตลอดเวลาจึงไม่ต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไปใจก็เลยไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายและไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปเพราะว่าสามารถหาความสุขมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนั่นเอง การเกิดแก่เจ็บตายก็จะสิ้นสุดลงเวลาแก่เจ็บตายก็จะไม่ทุกข์กับเวลาความแก่ความเจ็บความตายพอตายแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะสามารถหยุดความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ น, นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร่ง เรานำมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่ยังไม่รู้กันถ้าพวกเราอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงพบกับความสุขที่ถาวรพบกับความสุขที่จะเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดพวกเราก็ต้องมาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปอย่าไปอาศัย ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วไปหาที่สงบไปรักษาศีลไปหัดสมหัดทำสมาธินั่งสมาธิพอได้สมาธิแล้วชำนาญในสมาธิแล้วก็สอนใจให้หยุดความอยากต่างๆเวลาเกิดความอยากก็ให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วต่อไปใจก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรแล้วใจก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปอ น, นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการตัดสัรู้ของพระพุทธเจ้ารู้ว่ามีความสุขอีกแบบหนึ่ง และการจะเข้าถึงความสุขแบบนี้ได้ก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เองก็ขอให้ท่านจงนำเอาความรู้อันนี้ไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จะากขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตตินางเมตานังอุปกปฏิอิจิตังปัติตังตุมหังคิะเมวะสมิิตยโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันาราโสยธามณิโชติหระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิกสะนิจจัง พุทาปจายโนยตตารธรมมวาทาติอายุวันโอสุขังภาลัวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยเจ็ด9 1ูหนึ่งร้อยเก้าสิบอ็ด วิทยออนไลน์ยี่สิบห้ารับฟังข้างบนนี้ห้าสิบคนรวมทั้งหมดห้าร้อยเจ็ดสิบสามครับถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยเช่ว่งนี้ยังเป็นภาษาไทยอยู่เดี๋ยวถึงสามโมงจะเริ่มเป็นภาษาอังกฤษต่อมีไหมมีคำถามเดียวครับถามไป ค, คำถามจากคุณพิเชษ มีวิธีการที่จะทำให้หลุดพ้นจากความรักอย่างไรครับก็อย่ารักสิให้ดูความน่าเกลียดของร่างกายดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเวลาลงดูคนแก่แล้วรักไหมเห็นคนแก่ๆ แ, แล้วเห็นคนเจ็บนี่เห็นคนตายนี่ พยายามมองร่างกายว่าต่อไปร่างกายที่น่าดูน่าชมก็จะกลายเป็นร่างกายของคนแก่ร่างกายของคนเจ็บร่างกายของคนตาย yeah. <Yeah. S 1> เวลาตายแล้วดูไงก็ไม่น่ารักนะแยนหัดพิจารณาดูซากศพ บ, บ้าง mm hmm. ดูคนตายบ้าง mm hmm. หรือดูอวัยวะน้อยใหญ่ที่มีอยู่ภายในร่างกายบ้าง mm hmm. ร่างกายนี้นอกจากผิวหนังที่หุ้มห่ออยู่ข้างนอกยังมีโครงกระดูกยังมีปอดมีตับมีไตมีดาไส้มีอะไรต่างๆอยู่มากมายที่เราไม่มองกันหรือมองไม่เห็นกันวิธีที่จะมองอย่างนี้สิ่งที่มองไม่เห็นก็ต้องไปดูภาพที่เขาถ่ายมาให้ดูเช่นภาพชนชนสูตรศเนี่ หรือภาพกายวิภาคของนักศึกษาแพทย์เราจะดูอวัยวะต่างๆของร่างกายดูว่าหัวใจเป็นอย่างไรปอดเป็นอย่างไรตับไตอะไรเป็นอย่างไรถ้าดูภาพเหล่านี้แล้วจดจำเอาไว้ได้เวลาที่เห็นภาพเห็นร่างกายที่น่าดูน่าชมก็ให้นึกถึงภาพที่ไม่น่าดูน่าชม ก็จะทำให้ความรักนี้หายไปได้ต้องข ย, ยามต้องพยายามดูบ่อยๆดูจนทั้งมันจำได้ติดตาติดใจพอเห็นภาพสวยงามก็จะต้องเห็นภาพไม่สวยงามประกอบขึ้นมาแล้วความรักก็จะดับไปทันทีคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ถ้าเราคุยกับคนที่เขามาชอบเราทุกวันโดยที่เรามีสามีแล้วจะเป็นบาปไหมเจ้าคะก็ไม่ควรเพราะว่าเดี๋ยวคุยกันมันก็จะนําไปสู่การแตะเนื้อต้องตัวแะเนื้อต้องตัวแล้วเดี๋ยวก็จะนําไปสู่การประพฤติผิดประเวณีนั่นเองนั้นไม่ควรที่จะถ้าเรามีคู่ครองของเราแล้ว ไม่ควรที่จะไปพูดคุยกันฉันชู้สาวถ้ามีธุระทำงานอย่างนี้ก็ถ้าจำเป็นก็ต้องระมัดระวังอย่าให้มัน อ, ออกนอกรูนอกทางไปให้คุยกันแต่เฉพาะงานการเท่านั้นเองต้องมีความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของเราต้องคิดถึงหัวอกเขา ถ้าเกิดเขารู้เขา้าเขาจะเกิดความเสียใจในทางตงัวกงินข้าก็คิดว่าถ้าเราถ้าเขาเป็นเราแล้วเขาทำอย่างนี้กับเราเราจะรู้สึกอย่างไรให้คิดอย่างนี้เพื่อที่จะได้ไม่ไปกระทำผิดศีลเพราะมันจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ความสุขที่ได้มันอาจจะประเดียวประเดาว แต่ความทุกข์ที่จะตามมามันจะยาวนานกว่าอฉั้นให้มีความซื่อสัตว์ให้มีความพอใจกับคู่ครองของตนถ้าอยากจะได้ใหม่ก็เลิกกับคนเก่าไปก่อนไปคุยกันหัวเบื่อแล้วแบบดาราภาพยนต์ฮอลลีวูดเขาเบื่อเขาก็เลิกกันฮะรักกันเขาก็แต่งงานกัน พอเขาเบื่อเขาก็เลิกกันไปอย่างนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาอ <c oughs> เพราะว่าต่างฝ่ายต่างรับรู้กันต่างฝ่ายต่างยินยอมกันแต่ถ้ามาทําแบบรับรับล่อๆมาทําแบบเออ่แบบเหมือนกับหลอกลวงกันอันนี้จะทําลายจิตใจกันมาก <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณซอ ทำอย่างไรถึงจะเอาชนะความกลัวได้ครับก็มีสองวิธีวิธีแรกก็คือใช้สติเวลาเกิดความกลัวก็ให้ใช้สติให้ใจเราเล็กรู้อยู่กับพุทโธพุทโธอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากลัวเช่นเราไปกลัวผีคิดว่ามีผีมาเราก็หยุดความคิดนี้ด้วยการให้บริกรรมพุทโธพุทโธไป หรือสวดมนต์ไปสวดอ e ติปิโสสวดอัลฮังสัมมาสวาคาโตให้สวดไปอย่าไปคิดถึงความคิดที่เราไปคิดว่ามีผีพอเราไม่ได้คิดถึงผีผีมันก็จะหายไปเพราะผีมันมาจากความคิดเรานี่เองเราใช้พุโทโธพุโทโธหรือใช้การสวดมนต์ไปแล้วใจก็จะลืมเรื่องผีไป ผีมีจริงไม่มีจริงก็ไม่สําคัญมันจะมาไม่มาก็ไม่สําคัญถ้าใจเราไม่ไปคิดถึงเมืนันแล้วใจเราไม่เดือดร้อนออนั่นที่วิธีแรกวิธีแต่เป็นวิธีที่ไม่ถาวรจะต้องคอยสวดอยู่เรื่อยๆ เ, เ, เวลากลัวก็ต้องสวดวิธีที่จะทําให้มันไม่กลัวอย่างถาวรก็ต้องยอมตายเท่านั้น เวลากลัวอะไรก็บอกว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ถ้าถึงเวลามันจะตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายจะมีอะไรมาทำลายมันหรือไม่มันก็ต้องตายเหมือนกันมันยอมพอยอมตายแล้วมันก็หายกลัวพอยอมรับความจริงพอเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยต่อให้มีปลอปพมาคุ้มครองตลอดยี่บสี่ชั่วโมงมันก็ตายได้เหออ็นยะหนีความตายไม่พน้นดังนั้นเมื่อถ้าตอนนี้ถึงเวลาจะมันจะตายก็ให้มันตายไปออยอมตายพอยอมตายแล้วใจก็จะหายกลัวหลังจากนั้นจะไม่กลัวความตายต่อไปออหมดแล้วยัง หมดแล้วเหรอะโอเคถ้าหมดแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาทางภาคภาษาอังกฤษต่ อ, อใครอยากจะกลับก็กลับได้นะมไม่ต้องเกรงใจใครอยากจะฟังภาคภาษาอังกฤษก็อยู่ฟังได้